จะบทแปลเรื่องที่1 5ึ่เรื่องพระเจดีทองของพระกัสสปะทศพลพระบรมศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไปทรงปราบพระเจดีทองของพระกัสสปะทศพลจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปูจาระเฮเป็นต้นความพิสดารว่า พระตถาคตเจ้ามีพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีแล้วสเสด็จไปเมืองพรรณสีโดยลำดับสเสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งในที่ใกล้บ้านโตไทคามในระหว่างทางพระสุคตเจ้าได้ประทับใกล้เทวสถานนั้นส่งส่งพระธรรมพันทะคาริก ค, คือพระอานนท ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมให้บอกพรามซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลมาเฝ้าพรามนั้นมาแล้วไม่ถวายอภิวาทแต่พระธาคคตแต่ว่ายเทวสถานนั้นอย่างเดียวแล้วยืนอยู่แม้พระสุคตเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพรามท่านสำคัญประเทศนี้ว่าเป็นที่อะไร พรามจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าไหว้ด้วยตั้งใจว่าที่นี้เป็นเจติยสถานมาตามประเพณีของพวกข้าพเจ้าพระสุคตเจ้าจึงให้พรามนั้นชื่นชมยินดีว่าดูก่อนพรามท่านไหว้สถานที่นี้ได้ทำกรรมที่ดีแล้วพิกษุ์ทั้งหลาย ได้สดับพระพุทธดํรรัดนั้นแล้วจึงเกิดสงสัยขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พรามชื่นชมยินดีอย่างนี้ด้วยเหตุอะไรหนอลำดับนั้นพระตถาคตเจ้าเพื่อทรงปลดเปลื้องความสงสัยของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสเทศนาคติการสูตรในมัชฌิมานิกาย แล้วทรงเนรมิตพระเจดีย์ทองของพระกัสปะทศพลสูงหนึ่งโยศและพระเจดีย์ทองอีกหนึ่งองค์ไว้ในอากาศโดยอนุภาพแห่งพระฤทธิ์ทรงสแสดงให้มหาชนเห็นแล้วตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์การบูชาซึ่งบุคคลควรบูชาชนิดเช่นนี้ย่อมสมควรกว่าแท้ดังนี้แล้วจึงทรงประกาศ ปูชารหับุคคลสี่จำพวกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยในดังที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรนั่นเองแล้วทรงแสดงโดยพิเศษถึงพระเจดี3ประเภทคือศสรีระเจดีหนึ่งอุทิศเจดีหนึ่งปริโพคเจดีหนึ่งครั้นแล้วได้ทรงพาสิทธิ์พระคาถาเหล่านี้ว่า ปูจาระเหปูชยโตบุทเทยดิจะสาวเกปปัญจสมติกันเตติ น, นะโซกะปริธเวเตซาดิเซปูชยโตนิพุทเตอากุโตพเนพนยนาสกาปุญญังสร้างฆาตุงอิเมตตมปิเกนะจิใครใคร ไม่อาจาเพื่อจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจา้าหรือว่าพระสาวกทั้งหลายด้วยผู้ก้าวล่วงปรับปัญจธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้มีความเศร้าโศกและความคร่ำครวญอันข้ามพ้นแล้วหรือว่าของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาเช่นนั้น เหล่านั้นผู้นิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆโดยการนับแม้วิธีไรๆก็ตามว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ดังนี้ตอนแก้อัดบุคคลผู้ควรเพื่อบูชาอธิบายว่าผู้ควรแล้วเพื่อบูชาชื่อว่าบูชาระห บ, บุคคล ในพระคาถานั้นคำว่าของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาความว่าผู้บูชาอยู่ด้วยการนอบน้อมมีการกราบไหว้เป็นต้นและด้วยปัจจัยสี่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงบูชารหบบุคคลด้วยคาเป็นต้นว่าบุเทคือพระพุทธทั้งหลายบทว่า บุเทได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสับนิบาตว่ายาดีได้แก่ยาดีวาอธิบายว่าอัฐาวาคือก็หรือว่าคําว่าซึ่งพระปัจเจ ก, กับพุทธทั้งหลายก็เป็นอันตรัดไว้แล้วในพระคาถานั้นหรือว่าพระสาวกทั้งหลายด้วย บทว่าผู้ก้าวล่วงปะปัญจะทมได้แล้วหมายความว่าปะปัญจะทมคือตัณหาทิฏฐิมานะท่านก้าวล่วงได้แล้วคำว่าผู้มีความเศร้าโศกความคร่าครวญอันข้ามพ้นแล้วได้แก่ผู้มีความโศกและความร่ำไรอันล่วงพ้นแล้วอธิบายว่าข้ามล่วงได้ทั้งสองอย่าง ความเป็นผู้ควรแก่บูชาพระผู้มีพระภาคตรัดด้วยบทวิเศษนะเหล่านั้นคำว่าเหล่านั้นได้แก่พระพุทธเป็นต้นคำว่าผู้เช่นนั้นได้แก่ผู้ประกอบด้วยคุณเช่นนั้นโดยอำนาจแห่งคุณดังกล่าวแล้วคำว่านิพพานแล้วได้แก่นิพพานด้วยการดับกิเลส มีราคาเป็นต้นภัยแต่ที่ไหนไหนคือจากพบหรือจากอารมณ์ย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ควรบูชาเหล่านั้นเะนั้นท่านเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนซึ่งท่านผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนเหล่านั้นคำว่าอันใครๆไม่อาจเพื่อจะนับบุญได้ความว่า ไม่อาจเพื่อคำนวณบุญได้หากมีคำถามสอดมาว่านับอย่างไรพึงแก้ว่าอันใครใครไม่อาจเพื่อนับบุญว่านี้มีประมาณเท่านี้อธิบายว่าอันใครใครไม่อาจเพื่อจะนับว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้บุญนี้มีประมาณเท่านี้อภิสัพ พ, พึงเชื่อมในบทว่า กีนจิอธิบายว่าอันบุคคลไร่ไรหรือว่าด้วยการนับวิธีไร่ไรในสองคำนั้นคําว่าอันบุคคลได้แก่อันบุคคลนั้นมีพระพรมเป็นต้นคําว่าด้วยการนับได้แก่ด้วยการนับสามอย่างคือด้วยการคะเนด้วยการช่างและการตวง การเนโดยไหนว่าของนี้มีประมาณเท่านี้ชื่อว่าคเนการช่าง้วยเครื่องช่างชื่อว่าช่างการทำให้เต็มโดยสามารถแห่งกึ่งฝายมือฝายมือแรงและทนานเป็นต้นชื่อว่าตวงอันบุคคลไรๆไม่อาจเพื่อนับบุญของผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น โดยการนับทั้งสามวิธีเหล่านี้ด้วยสามารถแห่งวิบากคือผลเพราะเว้นจากที่สุดชะนีผลทานของผู้บูชาในสถานะทั้งสองเป็นอย่างไรกันบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ยังทรงพระชนอยู่ใครๆไม่อาจนับได้ก็พอทำเนาบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้น ผู้เช่นนั้นแม้นิพานแล้วด้วยกันทะปรินิพานอันมีกิเลสปรินิพานเป็นนิมิตใครๆก็ไม่อาจนับได้อีกเล่าเพราะฉะนั้นควรจะแตกต่างกันบ้างเพราะเหตุที่มีข้อสงสัยนั้นแหละท้าวสกะจึงกล่าวไว้ในวิมานวัตถุว่าติดท่านเตนิบุเตจาปี สเมจิตเตสสังพลังเจโตปัสสาะดาเฮตุมหิสตตากชัชนติสุกติงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นยังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเสมอกันผลก็ย่อมเท่ากันในพระเหตุคือความเลื่อมใสแห่งใจสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติดังนี้ ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพรามนั้นได้เป็นพระสดาบันแลแลพระเจดีทองสูงตั้งยศได้ตั้งอยู่ในอากาศนั้นแลตลอดเจวันก็สมาคมได้มีแล้วด้วยชนเป็นอันมากพวกเขาบูชาพระเจดีด้วยประการต่างๆตลอดเจวันต่อ น, นั้นมาความแตกต่างแห่งลัทธิของผู้มีลัทธิต่างกัน ได้เกิดมีแล้วพระเจดีนั้นได้ไปสู่ที่เดิมแห่งตนด้วยพุทธานุภาพในขณะนั้นพระเจดีศิลาใหญ่ได้มีขึ้นแล้วในที่นั้นนั่นแหลพระช า, าสัตว์ 84,000 ได้บรรลุธรรมพิสมัยคือตรัสรู้ธรรมแล้วในสมาคมนั้นเรื่องพระเจดีทองของพระกสปักทศพล